แล้วค่อยคิดอย่างนั้นใหม่ถ้าย้ำคิดแล้วยังรู้สึกว่าใช่จึงค่อยเชื่อว่านั่นเป็นความคิดของคุณจริงๆตอนใครกําลังโกรธคุณไม่ว่าเขาจะพูดอะไรอย่าเพิ่งเชื่อว่าเขาคิดอย่างนั้นจริงจนกว่าอารมณ์จะสงบลงและค่อยขอให้เขาพูดใหม่ถ้าเขายังย้ําคําเดิมไม่เปลี่ยนจึงค่อยเชื่อว่านั่นเป็นคําพูดของเขาจริงๆ ยามโกโรธอาจเกิดแรงขับดันร้อนๆให้วูวามคิดด่วนอะไรที่อาจไม่เคยคิดมาก่อนเลยจึงไม่ผิดอาจจะมองว่าโดนผีโทรสาสิงสู่อยู่ชั่วคราวบงการให้คิดยังไม่น่าจะคิดบงการให้พูดยังไม่น่าจะพูดแต่ยามโกโรธเช่นกันอาจเกิดแรงกดดันสุดท้ายให้หมดความยับยั้งชั่งใจพล่งพูดในสิ่งที่คิดไว้นานแล้ว จะแอบซ่อนไว้จึงไม่ผิดหากจะมองว่า น, นั่นคือการเปิดโปงตัวจริงเสียงจริงของคนพูดไม่ว่าจะซ่อนความคิดมานานแค่ไหนโร่งพูดทีเดียวจะซ่อนไม่ได้อีกเลยตลอดไปเมื่อสังเกตตนเองอยู่เห็นความคิดที่ต่างไประหว่างยามโกรธกับยามปกติคุณจะเข้าใจอนัตตาในตนเองดีขึ้น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 สมัครใจได้เองลอย